แจ็คมาเจริญปัญญาจากสตีฟจ็อบตอบแทนสังคมแบบตูนบอดี้แลมโดยแท่นวอชิราเมทีเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ณนศะูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณนะัดนี้ นังงานทุกคนพรุ่งนี้เรายังอยู่ในช่วงปีใหม่นะฉะนั้นธรรมะที่จะให้วันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นหลักในการทำงานและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวรปีใหม่จะพูดถึงหลักในการทำงานก่อนเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็น คนในวัยทำงานคนในวัยทำงานมีสองประเภทหนึ่งทำอะไรก็ตามทำให้ดีที่สุดกับสองทำอะไรก็ตามทำแค่พอผ่านก็พอ องค์กรต้องการคนแบบไหน1ทําอะไรก็ตามทําให้ดีที่สุด2ทําอะไรก็ตามเอาแค่พอผ่านก็พอ mm hmm. พวกเราประเมินตัวเองออกไหมเป็นคนแบบไหนลกูก mm hmm. ดีที่สุดใช่ไหม mm hmm. เวลาที่เราเลือกแฟนเราอยากได้คนที่ ด, ดีที่สุดนะพราะนั้นเป็นเหตุให้หลายคนรอมาจนปั่นนี้ แต่เรื่องการทำงานมันไม่ต้องรอนะลูกเรื่องการทำงานนั้นทำดีที่สุดด้ทุกวันทำให้ดีที่สุดนั้จุดที่ทำถ้าเขาให้คุณทำอะไรนะเตือนตัวเองว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดนั้จุดที่ทำถ้าเขาให้คุณเป็นอะไรก็ําให้บอกตัวเองว่าฉันจะเป็นให้ดีที่สุดนั้จุดที่เป็น นี่เป็นหลักของการทำงานแต่ถ้าใครถือคติว่าอะไรมากมายแค่นี้ก็พอละ3โมงใกล้เลอกแล้ว4โมงครึงเข้าห้องน้าดีกว่าบริษัทชอบไหมอย่างเงี้ยเรื่องงานให้โมงครึ่ง4โมงครึ่งเข้าห้องน้ า, ต า, น า, นานแต่งหน้าละถามว่าแต่งไปไหนขึ้นรถเมล์กลับบ้านไม่มีคนดูเลยอย่างนี้องค์กรเสียหายนะฉะนั้นการทำงานนะ มันเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราถ้าเราทำงานอย่างไม่เป็นมืออาชีพเราไม่เบียงแต่ทำลายองค์กรของเราเท่านั้นเราได้ทำลายคุณภาพชีวิตตัวเองด้วยเพราะไม่มีองค์กรไหนต้องการคนที่ไม่เป็นมืออาชีพอาตมาภาพรู้จักคนทำงานที่เป็นมืออาชีพคนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้กำลังดังมากพระอาจารย์เพิ่งไปบ้านเกิดเขามาที่หังโจรู้จักไหมแจ็คมาเจ้าของอาีบาบาคนคนนี้กำลังดังมากเมื่อเดือนที่แล้วมาเมืองไทยอทิตย์ที่ผ่านมานี้ไปจับมือกันโดนัลทรัมป์แล้วตอนนี้ทั้งโลกอยากเจอคนคนนี้เพราะเขาเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จสูงมาก บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซจากอเมริกามาทำบริษัทแข่งกับเขาที่เมืองจีนเปิดกลับไปหมดเลยไม่มีใครสู้เขาได้และตอนนี้เขากำลังสยายเปี่ไปทำธุรกิจอีกหลายอย่างต่างประการด้วยกันและแน่นอนคนคนนี้มีมุมทางด้านจิตวิญญาณด้วยส่วนจะทรไหมเขาบอกว่าที่เขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีครูบาอาจารย์นั่นแหละ จ็มานั้นเขาเล่าว่าก่อนสามสิบห้าผมทำอะไรก็ล้มเหลวสมัครงานสาสิบกว่าแห่งไม่มีที่ไหนเรียกเลยเพราะเห็นหน้าปุ๊บเขาก็ไม่เรียกบริษัทต่างๆเห็นหน้าเขาก็รู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวมาสมัครงานตัดสินกันที่หน้าตาเลยสุดท้ายเขาก็จึงไปเป็นได้แค่ครูสอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในบ้านเกิด วนหนึงหลังจากสอนหนังสือเสร็จเขาเดินลงจากตึกตอนพบค่ามาเจอคณะบดีของภาควิชาภาษาอังกฤษคณะบดีไปตลาดกลับมาเอาจักยานมาจอดหน้าตึกแจ็คมาโดนลงตึกมามาเจอกันพอดีคณะบดีก็บอกว่าเออนี่คุณคุณมาคุณนี่ขยนขันแข็งแขรงนะ ตั้งใจทำงานให้ดีหละ่ะเพราะอีกหน่อยเนี่ยคุณก็จะมาแทนที่ผมนี่แหละแจ็คมา ก, ก็ได้ยินประโยคนี้แล้วก็สะเทือนใจมากเพราะคนที่อยู่ข้างหน้าคือคนที่เป็นหัวหน้าเขาเป็นคณะบดีมิจตอรเ์เกียเก่าๆคันหนึง่งไปตลาดมาซื้อหัวใช้เท้าหัวหนึง่งน้องไกอ่อีกน่องหนึง่งแกคิดในใจนี่อนาคตเราเหรอ ถ้าทำงานไปทำงานไปเราจะเป็นอย่างนี้เหรอคณะบะดีซื้อไก่ได้น่องหนึ่งหัวเจ้เท้าอีหัวหนึ่งแขวนอยู่ในถุงพลาสติกมีไซค์ยานี่คันหนึ่งแกบอกว่าวันนั้นผมชัดเจนมากผมกลับไปผมไปบอกเมียว่าผมจะออกแล้วลาออกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ทำโน่ทนทํานี่เขาทําเยอะมากแล้วก็ล้มเหลวหมดเลยก่อนอนาะยุสามสิบห้าแต่หลังสามสิบห้าแจ็คมาทําอะไรก็สําเร็จ เขามีปรัชญาในการทํางานว่าวันนี้มีปัญหาพรุ่งนี้ก็มีปัญหาแต่วันข้างหน้าจะต้องสวยงาวันนี้มีปัญหาพรุ่งนี้ก็มีปัญหาแต่วันข้างหน้าจะต้องสวยงาพระอาจารย์ดูสามารถเขาในรายการ60วินาทีชอบมากใครอยาก ดูรายการสารคดีดีๆนะภาษาอังกฤษเพราะเพราะแนะนำแหละซิกเต็ ม, ม เ, mm hmm. เขาสัมภาษณ์แจ็คมาเขาเล่าชีวประวัติเขาไว้แล้วเขาก็บอกว่าที่ผมประสบความสําเร็จนะก็เพราะว่าผมมีคติอย่างนี้แหละทําอะไรก็ตามผมจะทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดแล้วถ้าเจอปัญหาล่ะผมก็จะเตือนตัวเองว่าวันนี้มีปัญหาพรุ่งนี้มีปัญหา แต่วันข้างหน้าจะต้องสวยงามเมื่อดูสัมภาษณ์ว่าเออคุณตั้งองค์กรมาเนี่ยมีคนหลายหมื่นคนแล้วตอนนี้คุณขยายปีคลุมไปทั้งโลกเลยอาลีบาบานั้นเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งมากใครๆก็รู้จักเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งโลกทําลายทุกเสติของบรรษัทข้ามชาติที่ไปเข้าตลาดที่นิวยอร์กคุณมีหลักการบริหารลูกน้องยังไงเจ้าหมาก็บอกว่า ผมอะนะจะไม่รับคนสิบประเภทมาทำงานที่อลีบาบาเส็นท่านฟังไว้นะถ้าของข้อตัวของไฟนะจึงมาบอกว่าคนสิบประเภทนี้นะผมไม่รับเลยหนึ่งคนที่คิดแต่อยากได้วันหยุดสัปดาห์ละสองวันนี่ไหม ภาวนาให้ถึงวันศุกร์เร็ว ๆ, ๆพอวันศุกร์ปุ๊บตอนเย็นๆในอารมณ์ดีครึ่งวันละพอเย็นวันาอาทิตย์ปุ๊บอาวแล้วหดโหดราม่าพรุ่งนี้วันจันทร์จะมาถึงไม่อยากไปที่ทำงานแค่นึกเห็นชื่อบริษัทก็สะเทือนใจนึกถึงเพื่อนร่วมงานในบริษัทก็มีแต่เจ้ากรรมนายเวรสะเทือนใจมาก เย็นวันอาทิตย์เป็นวันที่เศร้าเย็นวันสุกเป็นวันที่สดชื่นชื่นเย็นในหัวใจวันสุขคือวันที่ดีต่อใจที่สุดในสัปดาห์ใช่ไหมแจ็คหมาบอกคนอย่างนี้ผมไม่เอาเพราะใจเขาไม่มาจันถึงศุกร์เขามานั่งจุมฟุกกับเราเขาเฝ้ารอวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อที่จะได้ไปเที่ยวเพื่อที่จะได้ไป น, นอนเล่นคนอย่างนี้ก็บอกว่าไม่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ วิญญาณของออคเถลิงเนอร์ฮะรู้จักไหมผู้ประกอบการไม่ลงประทับพวกนี้ชอบทำงานรูทีนนะเช้ามานั่งพอเจ้านายอยู่ขยันขนยันพอนายติดประชุมปุ๊บไหลหอบเจอไหมระวังให้ดีนะพวกเนี้ยจากนี้ไปผู้บริหารเอาไปดูนะพวกนี้มาทำงานแล้วก็วิญญาณไม่ลงประทับอะนะ คิดถึงแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จันหนึงสุกปล่อยศั ก, กยภาพมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ทํางานแบบแค่พอผ่านเท่านั้นไม่ตั้งใจจริงๆแจ็คมาไม่เอาสองคนนี้คิดแต่จะเข้างานตอนเช้าและเลิกงาน5้ามงเย็นตอนเช้าแปดโมงมาถึงปั๊ตบตอกบัตรแล้วก็รออีกทีหนึงห้าโมงเย็นเป๊ะทุกอย่างเขาจะเป๊ะอยู่สองช่วงเท่านั้นส่วนกลางวันเป็นช่วงที่หย่อนสมรรถภาพ แปดโมงเข้าแล้วนั่งทำงานรออีกทีหนึ่งเ mm hmm. ที่ยงปุ๊บไปไปกินข้าวแล้วก็หายหัวไปเลยบ่ายโมงมาโบที่ออฟฟิศแล้วก็ทำพิธีกรรมดู Facebook mm hmm. แฟนเพจสิบคนรู้อยู่นินนะ mm hmm. ใช่ไหมเอาเวลางานไปไปทำเรื่องส่วนตัวหมดเลยไม่ตั้งใจพอใกล้เลิก ง, งานป๊บฮึดอีกทีหนึ่ง สามโมงดูอะไรเลยลกรอบนึ่งสี่โมงรอบสี่มงครึ่งเข้าห้องนะ้ำเขียนคิ้วแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้นะองค์กรเสียหายเวลาถูกทอนไปใช้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเยอะแยะมากมายขาดทุนมากนะในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นการสูญเสียดลุลพลังงานทันลบไม่คุ้มนะคนที่องค์ไม่ลงประทับเวลาทํางาน ไปอยู่สองเรื่องตอนเข้ากับตอนออกส่วนช่วงตรงกลางนั้นปล่อยอย่างนี้ไม่ไหวสามคนนี้คิดแต่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการรับเงินเดือนไปวันๆทางานแล้วก็รอว่าเงินเดือนจะมาเมื่อไรทำงานพอผ่านๆแต่ฝันว่าปีหนึ่งจะได้โบนัสเ้าเดือนและหวังว่าเจ้านายจะขึ้นเงินเดือนให้แบบไม่มีเหตุผลด้วย ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามคือคนที่ทํางานแบบองค์ไม่ลงระทับไม่มีแพชชั่นไม่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทํางานให้กับองค์กรคนเหล่านี้กี่ปีกี่ชาติเขาปรารถนาแต่จะเป็นลูกน้องคนอื่นเท่านั้นไม่ได้เป็นของผู้ประกอบการนะใครอยากเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเลี่ยงข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งคนได้คิดแต่อยากได้วันหยุดสัปดาห์ละสองวัน เขาคนได้คิดแต่จะเข้างานตอนเช้าเลิกงาน5้าโมง็3คนได้คิดแต่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยการรับเงินเดือนไปวันๆหนึ่งสคือวิญญาณของคนที่เป็นลูกน้องชาตินี้อาจจะไม่ได้จับเงินล้านย้ายไปอยู่ตรงไหนก็เพื่อที่จะไปเป็นลูกน้องของบริษัทถัดไปเท่านั้นเองถ้าคุณจะย้ายองค์กรจะย้ายบริษัทย้ายแต่ละครั้งคุณต้องใหญ่ขึ้น และการย้ายครั้งสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของกิจการเองแต่ห้าปีย้ายมาสี่บริษัทเป็นลูกน้องทุกตำแหน่งคนอย่างนี้นะั่นต่อให้มาขอบวชอาตมาก็ไม่รับเพราะมาอยู่วัดก็คงไม่รอดหรอกใช่ไหมมาเช้าเอนแพนนอนเย็นพักผ่อนค่าจาวัดอย่างนี้วัดก็ไม่ต้องการนะอาตมาก็ไม่ต้องการเพราะเขาไม่มีจิตเบียนยัของการลุกขึ้นสู้นะ คนที่ไม่สามารถสั่งตัวเองได้ไปอยู่ในองค์กรไหนองค์กรนั้นเสียหายในมุมมองของพุทธศาสนาท่านบอกว่าคนทํางานมีสองประเภท 1. คนที่กระตุ้นตัวเองให้ลุกขึ้นทํางานเองได้เขาเรียกว่าสังขาริกะวิริยะคนอย่างนี้เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจนายไม่ต้องสั่งรู้ว่าจะทำอะไรแล้วลุกขึ้นมาทำประเภทที่สองสังขาริกะวิริยะ ถ้าไม่มีคําสั่งถ้าไม่มีจดหมายเวียนถ้าไม่เดินมาบอกก็ไม่ใช่เรื่องของฉันไฟยังไม่อยู่ปากซอยไม่ใช่หน้าที่ของเราน้ําจะไหลอยู่ในห้องน้ําเดินผ่านไปเห็นไม่มีคนปิดก็ไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมคนประเภทที่สองถ้าไม่มีคนมาจุดประกายถ้าไม่มีคนมาสั่งถ้าไม่มีคําสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคนอย่างนี้ไม่ทําอะไรอยู่ตรงไหนตรงนั้นเจยเหนื่อย และองค์กรจะเสียหายมากดัะนั้นเราต้องเป็นคนประเภทที่หนึ่งอาสังขารดวกาวิรยิยะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องรอนายสั่งหรอกใช้ common s e n s นนึกเอาได้ใช้สามัญสำนึกดูเอาได้ตรหนักรู้เอาได้นะเอาต่อไปสิคนที่แจ็คมาไม่ชอบคนที่จิตใจไม่มีความมุ่งมั่น วันนี้ทํางานอย่างนี้อยู่เมื่อคืนกลับไปปุ๊บไปเปิดดูฟีดข่าวโอ้โหช่วงนี้เทรนดสุขภาพกําลังมาไปแล้วไปไหนไปเล่นโยคะเล่นอยู่พักหนึงน่งมีเพื่อนมาชวนไปเล่นโยคะร้อนไปโยคะร้อนอีกไปโยคะร้อนสองอาทิตย์ไปโยคะโหนอีกนะไปสักพักหายไปอินเดียไปไหนไปกินคลีนเขาฝึกกินคลีนเรียบร้อยกลับมากินคลีนเทรนเอาแล้วเขาเริ่มนอนคลีน มันเปลี่ยนไปทั่วเลยคนอย่างนี้แจ็คหมาก็ไม่เอาจับทำอะไรไม่ชัดเจนสักอย่างแล้วก็เลิกสองสามเดือนเลิกสองสามเดือนเปลี่ยนคนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นขาดความทุ่เทไปอยู่องค์กรไหนองค์กรนั้นก็เสียหายหาคนที่ไม่มีหัวคิดก้าวไปข้างหน้าตามการเวลาโลกเปลี่ยนเราต้องปรับ คนบางคนนั้นเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ตกรุ่นไปแล้วไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนอยู่ตรงไหนก็จุ้มปุ๊กอยู่ตรงนั้นแหละไม่ยอมพัฒนาเลยคนอย่างนี้เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ตกรุ่นไปแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะสิ่งนั้นจะหายไปตามกระแสทานแห่งการเวลาเมื่อลหลายสิบปีที่แล้วพวกเราเกิดทันวอชแมนไหมลูกทันบาน ถ้าทันอายุก็ไม่ใช่เล่นๆนะแล้วตอนนี้มันไปไหนลูกวล็อกมนมิวเซียมลูกไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรมาแทนวล็อกแมนไอโใช่ไหมลูกตอนนี้ไอ o d ก็ทำท่าจะหายไปแล้วอะไรมาแทนไอโฟนใช่ไหมสิปีที่แล้วคอมพิวเตอร์พีอีคอมพิว เ, เตอร์ตั้งโต๊ะใครมีเท่มั่งนะพระอาจารย์ก็เคยมีนะ คอมพิวเตอร์สีดําจอดําตัวหนังสือขาวจะเปิดที่หนึง่งพิมพ์คําสั่งเสร็จแล้วไปอาบนะ้ำกลับออกมามันหนึ่งึ๊ดตึ๊ดตึ๊ทันไหมถ้าทันอายุก็ใกล้ว่าอาจารย์ยี่สิบต้นต้นอ่ะแล้วตอนนี้คอมพิวเตอร์แบบนั้นไปไหนอะไรที่ไม่ปรับตัวก็หายไปอยู่ในโกดังอาจารย์มีสองเครื่องตัวนี้อยู่ที่โกดังแล้วอะไรมาแทนก็เนี่ไง คอมพิวเตอร์ไมกรุบแกรบางเหมือนแผ่นกระดาษเห็นไหมโฆษณาก็ไม่ได้แต่ของเขาดีนะนี่คือสิ่งซึ่งปรับตัวเรียบร้อยแล้วสติปช็อปเขาเคยฝันว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์เนี่ยจะบางเฉียบเหมือนแผ่นกระดาษและจะเล็กเท่าฝ่ามือน้องน้องนักศึกษาที่แซนฟิลดบอกว่าพี่ ขอโทษนะพี่พูดอย่างนี้วันนี้กินยาผิดสองหรือเปล่าเขาคิดว่าสติปชอปเผลอแต่นั่นคือวิ o น a ร y คือคนที่มีวิสัยทัศน์เขามองเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ล่วงหน้าและในที่สุดมันเป็นไปได้จริงโลกเปลี่ยนทุกวันถ้าเราไม่ปรับเราจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ตกรุ่นคอมพิวเตอร์ตกรุ่นเอาไปไว้ในโกดังและเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์คนตกรุ่นเอาไปไว้ที่ไหนผู้บริหาร ตาได้ไหมให้บวชสักพรรษา <c oughs> วันก็ไม่เอานะพระเฉยเฉยต่มาก็ไม่ต้องการนะพระเฉยเฉยเนี่ยไปเทศคนก็ไม่ฟังหรอกพวาเราเคยไ ป, ไปงานศพในโลกทุกวันนี้คนกรุงเทพคนไทยไปงานศพหวังอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเสด็จข้อต้มตอนพระเทศไม่ฟังอะ มันก็ไม่น่าฟังอาตมาเป็นพระอาตมาเคยไปฟังอาตมาก็สะเทือนใจวงการตัวเอง <c oughs> มีวันหนึ่งอาตมาไปไปวัดใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยอาตมาไปเป็นเจ้าภาพแล้วท่านก็มาสวดอาตมาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาเรียนบาลีมันจะถึงประเรียนใก้าอาตมาก็ถามว่าบทไหนเนี่ยนึกไม่ออกแล้วบทถึงท่านเทศท่านก็มาแบบโมโนโทนอะ น่ะโอกาสบัดนี้ตาก็ไม่ลืมวัยรุ่นที่นั่งข้างหน้านะหยิบไอโฟนขึ้นมาไปแล้วอยู่กับเฟ e บุ๊ k อยู่กับไลน์ท่านยังไม่รู้ตัวอีกนะท่านก็ว่างท่านไปน่ะโอกาสบัดนี้อัตมภาพเจริญประธานสแสดงพระธรรมมาเทศนาน ในหัวข้ออัปปะมาทัศาถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของประดาสาธุชนลืมตาไม่ที่เหลือมาสองตัวโยมไปหมดเลยมันไม่น่าฟังอาตมาเป็นพระอาตมายังสะเทือนใจเลยว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์ตกรุ่นพระตกยุคสุดท้ายก็จะตกงานต้องไหม อะไรก็ตามที่ไม่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามการเวลาสิ่งนั้นจะหมดความหมายโดยอัตโนมัติเมื่อสิบปีที่แล้วคุณถ่ายรูปฟิล์มที่ดีที่สุดคือฟิลงมโกดักตอนนี้โกดักไปไหนไปตามหานะ <c oughs> โทรศัพท์โนเกียจำได้ไหมตอนนี้ไปไหนลกแบล็คเบอรี่ berry, ทันใช้ไหมตอนนี้ไปไหนลลก <c oughs> เด็ดกว่านั้นเพเชื่ เน็บไ้ตรงนี้เน็บข้างนอกนะเวลามันดังติ๊ตดๆนอีโกโคตรเท่เลยแต่มันทำอะไรมากกว่า น, นั้นไม่ได้เอาตอนนี้ไปไหนปิเิธภัณฑ์นี่คือตัวอย่างของสิ่งซึ่งไม่ปรับตัวเทคโนโลยีที่ไม่ปรับตัวไปตามวันเวลาก็จะตกยุคตกสมัยลนจากความสนใจของผู้บริโภค คนทํางานที่ไม่ปรับตัวตามปรัชญาตามวิสัยทัศน์ตามพันธกิจขององค์กรสุดท้ายก็จะถูกองค์กรและบริษัททอดทิ้งฉะนั้นถ้าเราอยากเจริญก้าวหนะ้าเราก็ต้องดูว่าบริษัทเราองค์กรเราปรีนี้มีแนวนโยบายอะไรใช่ไหมเวลาเขาประกาศวิสัยทัศนะ์ะฟังจะมัง่งนะฟังจะมัง่งแล้วเอาไปใช้ด้วยอาธรรมภาพเป็นพระทุกเพียรแต่มามีประกาศวิสัยทัศน์นะ ปีนี้ใก้เชิญตะวันของธรรมภาพมีวิสศษทัศน์ว่าโฟกัสคำเดียวแปลเป็นไทยว่านโนะยบายนกในกํามือสํานวนจีนก็บอกว่านกมีสองตัวหนึ่งตัวที่อยู่ในมือเราสองตัวที่อยู่บนฟ้าเราต้องจัดการกับนกที่อยู่ในมือให้มันชัดเจนและถึงจะไปไขว่คว้านกที่อยู่บนฟ้า บางคนนกที่อยู่ในมือเนี่ยกำลังจับได้อยู่ถือไว้ไม่มั่นปล่อยให้หลดุดอีกมือหนึ่งคว้านกบนฟ้าเสียนกทั้งสองตัวฉะนั้นเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องชัดเจนต้องมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเราเชี่ยวชาญและทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเป็นงานหลักของเราเป็นรายได้หลักของเราฉะนั้นพอมั่นใจว่าอยู่มือแล้วก็ขยายผลต่อไปไปหาหน้าน้ําใหม่ของเราต่อไปนั่นคือนกบนฟ้า คนที่ไม่ไม่มุ่งมัน่นก็ดีคนที่ไม่มีคคิดก้าวหน้าไปตามการเวลาก็ดีไปสมัครงานที่อบ里บาแจ็คมาบอกไม่เอาสิเวลา 6. คนที่ทำงานเฉื่อยชาคนที่ทำงานเฉื่อยชาเนี่ยจริงๆดูได้ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าก็เมรีผมหวีครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์คิวเขียนแล้ว เขียนเมื่อวานมันก็ยังใช้ได้อยู่เวลาทาลิสติกทาเลยปากก็มีนะอาตมาเคยเห็นนะทาลิสติกเลยปากเสื้อผ้านะผมแต่งก็ไม่เข้าชุดกันทําไมไม่ดูพระนี่เห็นไหมเนี่ยจีวรจีวรก็เหม็ดกับสบงนะ <laughs> เอ็นไหมเข้าชุดไหมเออมีอยู่ปีหนึ่งพระอาจารย์ไปเ ท, ที่ยที่เนเธอร์แลนด์ ช่วงนั้นเป็นช่วงฟุตบอลโลกทั้งบ้านทั้งองติดธงสีส้มทีมกังหันสีส้มกลังจะศัดกับเยอรมันอันามาไปซ อ, ไซอยไหนเขาโบกมือให้หมดเขาคิดว <ST> ่าเราเชียร์กังหันสีส้มจริงจนี่คือชุดผ้าชุดสีเดินอรุณสีพระทิตก์กลังใกล้จะตกเด่นอันนี้เขาเรียกว่าสีแดงฝางนะลูกไม่ใช่แดงไม่ใช่ส้มนะ ไม่ใช่เหลืองด้วยนะลูกมันเป็นสีแดงฝางเป็นสีพระอาทิตย์ตาดพระอ้อมตอนเย็นๆนะพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะลูกสีจีวรของพระฉะนั้นขนาดพระยังรู้เลยว่าจะปรับตัวยังไงใช่ไหมให้สอดคล้องกับการลาเทศแล้วราวเท่านั้งหลายมาทำงานเฉยชาอย่างเงี้ยคนเฉยชานะเป็นแหล่งพลังงานทางลบนะลูกนะเป็นนกติเอนเนอร์จี ไม่ยากหนักดูคนเฉยชานะแอบไปดูเฟซเขารูปลงทั้งสุดท้ายเมื่อสามเดือนที่แล้วแล้วไม่ไม่ทำอะไรอีกเลยรั้งต่งไว้งั้น น, ะนั่นแหละเฉยชาถ้าอยู่ที่บ้านกินข้าวก็ไม่ชอบล้างถ้วยล้างจานล้างชามเสื้อผ้านะสลับเสร็จเตะไปไว้ข้างเตียงหรือซอกหมุมห้อง ซื้อของจากท้างสปปรรพสินค้าเอาไปวางทั้งถุงกระดาษไม่แกะพวกเฉื้อชาจ ะ, สะแสดงออกอย่างนี้นะลนูกนะแล้วคนเฉื้อชาถ้ามีอยู่ในอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคนหนึ่งกำลังทำงานเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปกระเซาะทำอะไรมากมายทำไปก็แค่นั้นแหละกำไรเป็นของคนอื่นแค่นี้ก็พ อ, อละชั้นไปละเพื่อนกาลังตั้งใจอยู่ดีๆเสียสุดไหมลูก เสียสูนยเลยลุกเลยระหวังให้ดีนะลูกนะระวังให้ดีนะแล้วคนเจอชาในี่บางทีก็อ้างว่า slow life ไปละฉันอยากไปเดินชิวต้องท<า>มให้เดว่ล slow life <ๆ>การใช้ชีวิตอย่างเนิบช้าเพราะคำดึงถึงคุณภาพชีวิตและคุณภาพงานหรือว่ารายที่จริงคุณเป็นพวกเฉยเนยกันแนะ่ต้องเลือก พวกเนื้อช้าของจริงนั้นเป็นพวกที่มีขลิ่นนรกงานสําเร็จชีวิตเรืนโรยแต่พวกเฉยเนยนั้นไม่มีเหตุผลอะไรหรอกคือขี้เกียดนั่นแหละขี้เกียจ ง, ง่ายๆแต่ชอบไปยืมคำหรูๆมาพูดให้ฟังดูคําใหญ่คําโตว่าเรานั้นเป็นพวกที่มีรสเสน่ยมวิตไหลจริงๆพวกขี้เกียจคนเฉยคนเนยเป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกคนอย่างนี้อยู่ตรงไหนองค์กรก็เสียหายมากเพราะเขาทํางานไม่คุม้ม เป็นพ่อคนแม่คนลูกหลานก็ไม่พัฒนาหรอกเพราะอะไรเขาก็จะเลี้ยงแบบปล่อยอนะแล้วก็จะบอกว่าบ้านเราให้เสรีภาพจริงๆไม่เสรีหรอกมันไม่มีปัญญาจะทําอะไรให้ดีกว่านั้นคนอย่างนี้แจ็คมาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็คงไม่ชอบพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความเพียรพระพุทธองค์ตรัสถึงชื่อของพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งความเพียรนะ ชื่อของพระองค์คือวิริยะวาทีชื่อศาสนาของพระองค์คือวิริยะวา ธ, าวาวาธาะวิริยะวาธะแปลว่าศาสนาที่ส่งเสริมความเพียรวิริยะวาทีก็แปลว่าผู้ที่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียร น, นี่ฉะนั้นอย่าว่าแต่แจ็คมาแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ส่งเสริมคนขี้เกียจคนเฉยคนเนื่อยไปอยู่ที่ไหนองค์กร น, นั้นเสียหายมากเจคนที่มีความประพฤติไม่ซื่อหรือพวกศีถนนชายพวกชอบเปรตจบพวก ข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงพวกต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งเนนทาคนอย่างนี้คือสีถนนชายพวกเสแส้งสแสดงถ้าเป็นภาพยนตร์ละครนาคีก็พวกนังลำเจียยบ <c oughs> <c oughs> อ้าวปีคำแก้ววิ่ตลอดทั้งเรื่องแต่พอพระเอกมาปุ๊บแอ์ดเลยดูดีทุกองศา คนอย่างนี้เป็นตัวอันตรายขององค์กรนะเขาสวมหน้ากากจนไม่รู้ว่าใบหน้าอันแท้จริงของตัวเองคืออันไหนฉะนั้นผู้บริหารต้องรู้นะต้องระวังคนที่แสดงละครเก่งๆพวกดีครับนายสบายครับท่านรับประกันครับผมต้องระวังให้ดีคนเหล่านี้ปากหวานขันเพราะชอเลาะเก่งนะ ต่อหน้านายมืออ่อนเท้าอ่อนพวกเปียกขับพรมพอนายไปปุ๊บเล่นบทรัฐมนตรีเลยยิ่งใหญ่กว่ารัฐมนตรีเห็นไหมนี่คือพวกสีทน์นนชายสีทน์นนทชายก็คือคนคตในข้องอในกระดูกนั่นเองนะลูกนะเคนที่ไม่กล้ารับผิดชอบโยนงานอะไรให้ไม่เอาพี่ไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์มันมาจากไหนลูก มาจากการลงมือทําอะไรเล็กๆไงลูกมันถึงจะมีประสบการณ์ใช่ไหมโยนงานใหญ่ๆ ใ, ให้ปุ๊บอู้ไม่มีประสบการณ์ยนงานที่ต้องรับผิดชอบสูงที่อยู่กันเป็นร้อยทําไมต้องเป็นผมอะเห็นไหมนายอยากจะพิสูจน์ตัวเองไม่รัดเอาไว้หรือนยโยนงานให้ บ, บ่อยๆเจ้านายแกล้งเราอ่ะแทนที่จะมองว่าเป็นโอกาสใช่ไหมหาว่าเขาแกล้งนี่เอาคุณไปคิดงานมา ไม่ได้พี่ผมว่านะยังไม่ได้คิดเลยมันตอบไม่ได้เห็นไหมอา้าคุณไปไปปักหลักตรงนั้นนั่นแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเรื่องเงินทุนเห็นแต่ปัญหาทั้งหมดเลยคนอย่างนี้นะอยู่ตรงไหนก็ไปไม่รอดขายสม้มตำปากซอยนะก็ไม่รอดขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยทอดก็ไม่รอดต่อให้ไปตัดผมแล้วใส่เสื้อสายเดี่ยวก้มแล้วก้มอีกก็มไม่รอด เ, เดี๋ยวนี้ก็มีออปชั่นเสริมเยอะจริงจริงนะร้านตัดผมมันจะมาก็อยากไปดูเหมือนกันนะเนี่ยคือโยนให้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จคนไม่มีความรับผิดชอบเอานั่นมาเสริมเอานี่มาเสริมสารพัดตัวเสริมแต่ถ้าไม่มีตัวหลักจ้างให้ก็ไปไม่รอดตัวหลักในการทํางานนะลกูกไม่ใช่อุปกรณ์เสริมตัวหลักในการทํางานก็คือความรับผิดชอบต่อการทํางาน ปีก่อนธรามภาพได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมเปิดตัวหนังสือเล่มหนึ่งโดยเป็นงานเปิดตัวหนังสือที่สำคัญมากผู้นิมนต์คือคุณสุธิชัยยุนนั่นคือหนังสือชีวประวัติของ Steve Jobs เขียนโดยนักเขียนอัตตาชีวประวัติของโลก Water ร s e อเซ็กซนในงานนั้นพระอาจารย์ได้เจอเด็กไทยคนหนึ่งซึ่งซื้อคอมพิวเตอร์ m a ็มาใชา้จู่ๆมันระเบิดตุม เจ้าวัยรุ่นคนนี้เจ้านักเขียนโปรแกรมคนนี้นเขียนจดหมายไปดาแอปเปิลได้รับจดหมายเชิญจาก Steve Jobs เป็นเด็กไทยคนเดียวเดินทางไปที่สำนัก ง, งานใหญ่เมื่อไปถึงสำนัก ง, งานใหญ่ Steve Jobs ให้เขาเข้าพบแล้วลุกขึ้นกล่าวคำขอโทษ ด, ด้วยตัวเองน้องคนนี้บอกว่าถ้ารู้งี้ผมให้มันระเบิดไปนานแล้ว นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบริษัทนี้ถึงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงติดอันดับโลกเพราะเขาถือว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่มากผิดนิดเดียวนะเขาจะเรียกคืนทั้งหมดได้ครูบาอาจารย์ของกัตมาภาพซึ่งเพิ่งขึ้นเป็นสมเด็จองคใหม่ล่าสดุดสมเด็จพระพุทธโกษาจาร์เคยได้ยินชื่อไหมลกูกนะท่านเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักปราศ เป็นพระไทยรูปแรกที่ไปสอนในมหาวิทยาลัยดับหนึ่งของโลกคือฮาร์วาร์ดไม่ได้รเรียนเมืองนอกแต่เขียนดิกชันนารีเป็นภาษางปรษได้อ่านพจนานุกรมละเอียดมากจนเจอคำผิดของสำนักพิมพ์เมืองนอกที่พิมพ์พจนานุกรมเช่นสำนักพิมรพร์ลองแมนเป็นต้นพวกเราอย่าว่าแต่อ่านดิกชันนารีเลยนะอ่านหนังสือทั่วไปก็หาคาผิดไม่ค่อยเจอต่อให้มันผิดก็ดูไม่ออกด้วยนะ แต่วิสัยปราดท่านอ่านดิชนาเรีนันเล่มหนาเป็นพันๆหน้าเจอคำผิดเขียนไปทัท้งทวงเลยท่านทุาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในงานของท่านสูงมากสองสามปีก่อนสำนักพิมพ์หนึ่งมาขอพิมพ์ผลงานนี้คนของท่านแล้วปรากฏว่ามีคำผิดเกินห้าแห่งคราวนั้นมีการพิมพ์หนังสือกว่าห้า0มื่นเล่มแจกจ่ายกันไปทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย พอเรื่องรู้ถึงท่านท่านเรียกคืนทั้งหมดพระอาจารย์จําได้แม่นเพราะพระอาจารย์ได้มาสี่ลังสี่ลังยังไม่ทันได้แจกนะปลมปริ่มมากได้มาเยอะมายังไม่ทันได้แกะแจกใครเลยวัดส่งสัญญาณมาว่าหลวงพ่อขอคืนทั้งหมดเราถามทําไมท่านบอกว่าสํานักพิมพ์เพิ่มเผ็ดไม่ต่ำกว่าห้าแห่ง งานอย่างนี้เป็นความรับผิดชอบทางปัญญาต่อประชาชนของท่านท่านจะไม่ปล่อยให้ข้อมูลขยะไหลไปสู่ประชาชนอะไรที่ออกจากท่านต้องเป็นของที่ดีที่สุดเท่านั้นและท่านจะรับประกันงานทุกชิ้นด้วยชีวิตของท่านท่านเรียกงานคืนทั้งหมดเลยและนั่นแหละท่านถึงได้เป็นนักปราชเนี่ยถึงกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาษเพื่อสันติภาพจากยูเนสโก และเป็นพระบ้านโลกแต่ได้รับโปรดเก้าเป็นกรณีพิเศษให้เป็นสมเด็จเหลือเชื่อไหมและอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านอาจจะกลายเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ด้วยนี่คือความรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้นำฉะนั้นคนอย่างซิฟจ็อบที่คอมพิวเตอร์ระเบิดเครื่องหนึ่งไม่เป็นข่าวด้วยในประเทศโลกที่สามด้วยแต่เขาเขียนจดหมายมาบอกว่ามาสานัก ง, งานใหญ่แล้วเขากล่าวคำขอโทษ ด, ด้วยตัวเอง นี่คือยอดคนนะยอดคนเขาจะมีความรับผิดชอบสูงมากจับทำอะไรก็ตามต้องทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดไม่ดีที่สุดไม่ปล่อยงานนั้นถึงมือผู้บริโภคอาตมาพาพก็จะเินรอยตามท่านเจคุณอาจารย์เวลาแสดงธรรมทุกครั้งก็มักจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าเธอฟังให้ดีนะเพราะพระอาจารย์รับประกันทุกกันเทศ <laughs> เทศห้าคนก็เอาจริงสิบคนก็เอาจริง เทศกับชาวบ้านก็เอาจริงเทศกับชาวนาก็เอาจริงเทศให้านายกรัฐมนตรีฟังก็เอาจริงไปเทศในาวังก็เอาจริงไปเทศให้ฝรั่งฟังที่ยุโรปและเมริกาก็เอาจริงทุกครั้งเลยไม่ใช่วันนี้โอโยมยิ่งใหญ่มากเราต้องเทศโยมยาววันรุ่งขึ้นชาวนามาถวายสังกทานพ่อไม่ต้องนะไม่ได้นะหลงเข้ามาอยู่ในวิถีแล้วต้องฟังเทศกันหนึ่งเดี๋ยวไมเพราะเราถือว่าความรับผิดชอบคือ ประโยชน์สูงสุดที่เราจะส่งมอบให้แก่คนอื่นถ้าเราทำอะไรโดยปราศจากซึ่งความรับผิดชอบถ้าเสียหายขึ้นมานะบางทีเสียหายเรื่องเดียวนะทังทั้งองค์กรเรือที่ว่าจมกันนั้นโดยมากก็จมเพราะรูรั่วรูเดียวแต่รูรั่วรูเดียวนั่นแหละที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการแก้ไขสุดท้ายเรือใหญ่ก็จมได้เหมือนกัน นั้นเราเป็นคนทํางานมืออาชีพต้องมีความรับผิดชอบเก้าคนที่คิดว่าตัวเองมีค่าสูงเกินไปพวกนี้เป็นพวกประเมินตัวเองสูงมากเวลามาทํางานแล้วยังไม่ทันได้ทําเลยตั้งเงินเดือนไว้สูงมากสมัครที่ไหนห้าปีไม่ได้สักที่ประเมินตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงพราะให้ทํางานพอให้แสดงวิสัยทัศน์ไม่ได้เรื่องเลยเรื่องที่พูดมาเป็นเรื่องที่เขาพูดกันเมื่อ นุ่นยุคต้นศตวรรษแล้วแต่คนบางคนก็ไม่รู้ตัวนะล้วนะประเมินตัวเองสูงเข้ากับคนก็ไม่ได้เพราะคิดว่าตัวเองเป็นมืออาชีพตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งไปอยู่ที่ไหนป๊อแป๊ ป, ปลาออกบทเพราะคิดว่าไม่มีใครสู้ตัวเองได้เลยคนอย่างนี้ภาษาพาเรียกว่าพวกชาลน้วยชาลน้วยเมื่อหลายศตวรรษมาแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นมี ศาสตราจารย์คนหนึ่งมีชื่อเสียงเขียนตำรับตรายเยอะอยากไปเรียนพระพุทธศาสนานิไกเซนกับปรมาจารย์เซนพอไปถึงปับ๊บฝากนำบัตรเข้าไปก่อนนำบัตรเขียนทุกตำแหน่งเลยข้างหน้าไม่พอต้องพิมพ์เพิ่มข้างหลังสำแดงตัวตวนชัดเจนมากพอหลวงพ่อรับนัดปับ๊บหลวงพ่อรินชาต้อนรับ รินแล้วรินอีกจนล้นด้วยโปรโฟเฟสเซอร์หรือศาสตราจารย์ก็บอกว่าหลวงพ่อครับล้นแล้วครับหลวงพ่อก็บอกว่าคุณก็เหมือนกันในหัวคุณเนี่ยล้นไปได้วยความรู้คุณจะเรียนธรรมะจากฉันได้ยังไงคุณต้องทำทุ่ยชาของคุณให้ว่างเสียก่อนพอได้ฟังอย่างนี้เขาหักนำบัตรทิ้งเลยเขารู้แล้วว่าเจอของจริงคนที่จะเ้าหน้าต้องเป็นคนที่ ไม่ประเมินจนสูงเกินความเป็นจริงหรือต่อให้คุณเก่งจริงคุณต้องพร้อมที่จะฟังคนอื่นนะลูกยอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อมคนที่คิดว่าตัวเองนั้นสูงค่าเกินไปเข้ากับใครไม่ได้สุดท้ายเก่งแสนเก่งก็ไม่มีใครเอาไปทํางานด้วยเลยเพราะอะไรพูดด้วยยากเก่งเมือ่อไม่มีใครเถียงในฝีมือแต่ไม่ได้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆเลยเพราะอะไรคนอย่างนี้คือคนเยอะ รู้จักไหมภาษาไ ว, วยรุ่นเขาเรียกเยอะมีไหมองค์กรนี้มีไหมมากเยอะ <Yeah. S 1> กว่าจะทำงานได้ทำวิธีรีตองอย่างกับวัวขาวจะต่ อ, อ, มอยมวยมันรำอยู่นั่นแหละนะหอบหิวของเยอะแย ะ, ยะไปทำงานมีแต่แก๊เจ็ดเท่ๆหรูๆมีแต่ของแบรนด์เนมแต่ใ น, นหัวไม่มีอะไรเลยสู้มืออาชีพไม่ได้ เมื่ออาชีพนี้เขาไม่พกอาวุธหรอกกระบี่อยู่ที่ใจในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันในยุคที่ซามูไรรุ่งเรืองสูงสุดมีซามูไรคนหนึ่งนะดังมากมาเมื่อเขาดังหนึ่งจุดสูงสุดเขาประกาศลงจากเวทีเขาลงตอนที่สง่างามที่สุดวันหนึ่งมีซามูไรรุ่นน้องไปท้าท้าดวลวิถีดาวิถีซามูไร คนทังกก็อยากจะรู้มากว่าซามูไรรุ่นน้องซึ่งกําลังเป็นดาวรุ่งจะล้มตัวพ่อได้ไหมบังเอิญตัวพ่อกระดบนัดด้วยนะวันนั้นวันที่จะมีการประลองนั้นซามูไรระดับตำนานตกเบ็ดอยู่ซามูไรรุ่นน้องถือดาบไม่เอีม่มข่มเกิบเหล็กน้ำพีอย่างเดร้องหยิงหิงอยู่บนตะลิ่งพี่ท่านขึ้นมาเถิด มาดวลกันสักเพลงหนึ่งให้ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ประชาชนก็ลุ้นมากเลยแฟนคลับโอ้โหจนห้โมงเย็นสมุไรระดับตำนานลอยเรือเข้ามาถึงฝั่งเดินขึ้นมาพร้อมกับไม้พายเก่าๆสมุไรหน้าใหม่ก็บอกพี่ท่านผมไม่อยากรบกับคนไม่มีทางสู้เชิญท่านหยิบกระบีเ่เถิดกระบี่ของท่านอยู่ไหน ดาบของท่านอยู่ไหนรุ่นพี่ก็บอกว่าน้องจะฟันก็ฟันมาไม่ต้องเยอะรุ่นน้องก็บอกเอาแล้วนะพี่นะไม่เกรงใจแล้วนะเงื้อกะ บ, บีสุดปลายแขนขนาดที่เขากำลังเงื้อกะ บ, บีสุดปลายแขนนั่นแหละยอมรู้บ้าซามูไรระดับดานันเอาไม้พายฟาดกับข้างรัว ขาดสองท่อนพอหมอนั่นเงืกก้อกะ บ, บีเต็มที่แล้วไม้ภายที่มมันอยู่ที่คอหอยนียแพ้หลุดด้วยเลยเห็นไหมคนเยอะอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนลำบากพวกเราลงสังเกตก็ได้มีคนเก่งหลายคนนะไปอยู่ที่ไหนก็ลาออกลาออกเราบางครั้งไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งแต่อุปนิสัยของเขาที่ประเมินตัวเองสูงกว่าคนอื่นมันทาให้เขาเข้าสังคมไม่ได้ ฉะนั้นทัาากษะการทำงานมันไม่ใช่ว่าคุณเก่งคุณก็จะทำงานได้นะเก่งงานต้องเก่งคนเก่งงานด้วยเก่งคนด้วยการทำงานพระอาจารย์พูดไว้ตรงนี้เลยไม่มีงานไหนยากหรอกถ้ามันยากเราทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะง่ายใช่ไหมแต่เรื่องยากคือการเข้ากับคนคนที่ไม่มีทักษะเรื่องคนอยู่ตรงไหนคืออัดขัดห้องไปทุกหอนทุกแห่งฉะนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นคนที่เก่งทั้งคนและเก่งทั้งงาน สิคนที่มักตำหนิว่าบริษัทไม่ดีพอสำหรับตัวเองอันนี้ก็แย่กว่าเมื่อกี้นะไปอยู่ที่ไหนก็บอกบริษัทนี้ไม่แฟร์ไม่ยุดติดธรรมผู้บริหารตามไม่ถึงเราเก่งขนาดนี้ไม่ปปรบัมเน็จไม่เลื่อนขั้นสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ที่อื่นแจ้งมาบอกว่าคนที่ประเมินตัวเองสูงเกินไปสุดท้ายจะเข้ากับใครไม่ได้ และสิบข้อนี้ถ้าไปสมัครที่อาลีบาบาเขาบอกไม่เอาส่งมาให้ตะมาตะมาก็บอกไม่รับเพราะอะไรนี่คือคนที่จะทำให้องค์กรไม่ประสบความสาเร็จทีนี้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องทำยังไงไปดูหลักเลือกคนเข้าทํางานของสติปจ๊อบนะอาจารย์เอามาให้ดูและยังไม่ต้องเชื่อไปหาอ่านหาคนเราเองนะวันนี้คือว่าให้ฟัง จ้งหมาไม่ชอบคนสิบประเภทสติฟจ็อบชอบคนเจ็ดประเภทซึ่งอยู่ด้วยแล้วดีต่อใจนะถ้าได้เจ็ดข้อนี้สติฟจ็อบจะบอกว่าได้หมดก็สดชื่นและเจ็ดข้อนี้ถ้ามันดีจริงอยากเก็บไว้ต้องแชร์วนไปมีอะไรบ้างลกูกหนึ่งทำในสิ่งที่รักมาทำงานทุกวันนี้รักไหมลกูกรักไหม ต้องรักจริงๆนะอย่าพูดให้เจ้านายดีใจนะรักคือจริงจังคลั่งไคล์ไหลหลงกับงานชนิดที่ว่าโอ้ยฉันรอให้เช้าไม่ไหวแล้วตีสี่แล้วฉันแต่งตัวแล้วไปละอยากทํางานมีไหมลูกโอ้โหถ้ามีนี่เจ้านายขึ้นเงินเดือนเก้าขั้นนะเนี่ยคนที่รักงานคนอย่างนี้เขาจะประสบความสำเร็จแล้วเขาจะทํางานโดยไม่ถามว่าเลิกกี่โมงเขาครุอยู่ตรงนั้น พวกที่ทํางานเข้า8ปดโมงและเลิกน5ะ้ามงนพวกนี้ไม่มีทางสร้างนวัตกรรมอะไรให้โลกหรอกคนที่สร้างนวัตกรรมให้โลกก็คือคนที่ทํางานแล้วลืมเวลาไปเลยอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีนาฬิกาและเขาจะทํามันอย่างมีความสุข 2. เวลาทํางานเขาจะถือกติทําให้ดีที่สุดนะจุดที่ทําไม่ทํางานแค่พอผ่านคนทํางานแค่พอผ่านไม่มีทางได้เป็นตํานานระดับโลก คนทำอะไรก็ตามทําให้ดีที่สุดนะั้นจุดที่ทําจะกลายเป็นธรรมนั้นมีเรื่องหนึ่งซึ่งอนุธรรมภาพเล่าแล้วเล่าอีกแล้วก็อยากจะเล่าซ้ําอาจารย์เสริมชัยอยู่วัดร่องคนวันหนึ่งอาจามาภาพไปที่วัดร่องคนอาจารย์เสริมชัยก็เล่าให้ฟังท่านวอรรู้ปะ่ะวัดร่องคนเนี่ยมีพระประธานกี่องค์อนุา ม, มาก็บอกว่าพระประธานก็ต้ององค์เดียวสิทําไมต้องมีหลายองค์แกบอกไม่ใช่ ที่วัดรง่งขุนพระป ร, ะราณตอนนี้มาถึงองค์ที่แดแล้วทำไมก็เพราะว่าเวลาผมปั้นผมจะเอาองค์ที่ดีที่สุดขึ้นไปประดิษฐานเช่นวันหนึ่งผมปั้นเสร็จแล้วผมยกขึ้นไปวางแล้วผมก็ยืนมองผมปั้นเสร็จตอนกลางคืนตอนเช้าพอพระอาทิตย์ทอแสงขึ้นมานะมันลอดมาตรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งผมถือว่านั่นคือสามเหลี่ยมทางวิญญาณก็ใส่ชุดขาวยืนเพ่ง ไม่ออกว่าผมปั้นได้ยังไงแกพูดเลยนะแกพูดกับลูกน้องเฮ้ยนี่กูปั้นใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นเทพมาผ่านพี่นะลูกคำว่าขั้นเทพก็เลยเกิดขึ้นงานขั้นเทพไม่ใช่คนทําแล้วแกก็ภูมิใจมากไปอาบน้ำอาบผ้าแล้วลงมาบรรยายกรุงเทพอาทิตย์ต่อมากลับไปวัดท่องุ่นไปยืนมองพระประธานอืมหูไม่เท่ากันะ บอกให้ลูกน้องยกพระประธานเก็บในโกดังฉะนั้นพระประธานวัดต้องขุนลุกองค์ น, นั่งอยู่บนนั้นไม่มีความมั่นใจสักงลหัวใจเต้นโคมขามโคมขามจะโดนยกลงวันไหนก็ไม่รู้ขนาดสร้างไม่เสร็จคนไปดูปีหนึ่งเป็นล้านเพราะทุกอย่างที่แกทำแกจะทำให้มันดีที่สุดมีนัาท่องเจ้วจีนหลายคนมากไปวัดร้งุนแล้วไปไปโรงพยาบาล เพราะเวลาที่เซลฟี่นั้นมักจะเอาหลังพิงกับลายกระหนกแล้วลายกระนกทิ่มหลังลายกหนกนะคมกริบทุกอันเวลาแกาว่าโรคอย่าไปใกล้เพราะเวลาแกาตบัดผู้กันเนี่ยมันขมมากนะบาดมาหลายคนนะนี่คื อ, อปณิสัยไฟความเป็นเลิศเวลาทํางานเราต้องไฟความเป็นเลิศภาษาค่าเรียกว่าธรรมฉันทกะกัตตุ ก, กรรมยมตาฉันทะ คุณต้องมีอุปนิสัยใฝ่ความเป็นเลิศทาอะไรอย่าไปทาสัว่าจบไปพอผ่านไปแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเ ม, มื่อับพูดพวกนี้ไม่มีอยู่ในสารบบของมืออาชีพมืออาชีพนั้นทำอะไรก็ตามก็จะเต็มไปด้วยธรรมะฉันทะคือทําให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดภาษาโบราณท่านใช้คาว่าทำให้สุดขุดให้ถึงทำเรื่องไหน ถ้าคุณทำให้สุดคุณให้ถึงเรื่องนั้นจะหล่อเลี้ยงคุณตลอดชีวิตพี่เบิร์ร้องเพลงอย่างเดียวก็เลี้ยงตัวได้พี่ตูนบอดี้แลมร้องเพลงอย่างเดียวนะก็เลี้ยงตัวได้และตอนนี้กำลังจะหันมาเอาดีทางวิ่งอีกเห็นไหมอะไรก็ได้คุณทำให้มันดีเถอะนะดีที่สุดนะจุดที่ทำนะั้นสำเร็จทุกคน3เลือกยอดคนมาเป็นส่วนหนึ่งของทีม สตีฟจ็อบส์จะไม่ไม่เลือกใครก็ได้เขาจะเลือกคนที่เป็นยอดคนเท่านั้นเช่นวันหนึ่งเขาเจอคนคนหนึ่งซึ่งเป็นมือออกแบบระดับเยี่ยมมีคนมากระซิบเขาว่าฉับมีคนหนึ่งไปอยู่โน่น ท, ท, ทีมทีมทูวร์แม็อินทัสทูคนนี้ถ้าได้มาอยู่ทีมเอนะมาอยู่ทีมหนึ่งชุดยอดสตีฟจ็อบส์เดินไปหาลูกน้องกำลังออกแบบอยู่ ชื่ออะไรอ่ะเราเห็นก็เลยกันว่าเจ๋งเลยไหนขอดูงานได้เปิดให้ดูสิลุกน้องเปิดให้ดูปุ๊บ เ, เดี๋ยวคุณปไปย้ายยย้าไปอยู่ทีมผมอพี่ผมผมต้องเต็มตัวนะครับพี่ต้องลานหัวหน้ า, าแผนกครับพี่ไม่ต้องลาไปกับผมไม่ได้ครับพี่ผมนี่ยังไม่ได้บอ ก, บอกใครสักคนหนึ่งคุณไปกับผมไปไหมโอ้พี่มันมันไม่ง่ายนะพี่นะ สตีฟจะอบโอเคคุณไปไม่ไปเรื่องคุณสตีฟจ็ computer, อบเดินไปที่ปักคอมพิวเตอร์ถอดแล้วอุ้มไปเลย <c oughs> คนนั้นต้องตามไปเอาคอมดีออฟฟิศของสตีฟจ็อบนัน่นคือหนึ่งในทีมออกแบบของเขาหลักของสตีฟจ็อบคือถ้าเจอตัวจริงอยู่ที่ไหน <c oughs> เขาจะไปเชิญมาเราอยากเก่งเราต้องทำงานกับคนที่เป็นยอดคนสิถ้าเราทางานกับคนกระจองอ ง, งอแเราก็กระจอางงอแ มันมีลูกจีมของสตีฟจ็อบคนหนึ่งลาออกไปและไปเขียนดา่าว่าอยู่ไม่ได้แล้ว Apple ในี่อันตรายมากหัวนหน้างานนี่ผีเข้าผีออกคุ้มดีคุ้มร้ายไม่ใช่อัจฉริยะอย่างที่คิดนะเพราะไปเขียนด่าอย่างนี้ในโลกออนไลน์นะคนก็รุมด่าสตีฟจ็อบบริษัทเสียหายมากวันโู้ขึ้นจ็อบเขียนอีเมลสั้นๆตอบกลับลูกน้องคนนี้เขาบอกว่าคนบางคนไม่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความเป็นเลิศ ฉะนั้นเมื่อมาทำงานกับผมเขาจึงรับไม่ได้คนอย่างนี้ใครอยากรับก็เชิญหมอนั่นตอนแรกเป็นต่ออยู่ดีดจากนั้นไม่มีใครกล้ารับเลยเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จจงเลือกเอายอดคนมาอยู่ใกล้ๆเราทำงานกับยอดคนเราจะได้เรียนรู้จากเขาพระอาจารย์เขียนไว้คำหนึ่งถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องตั้งใครสักคนหนึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจของเรา แล้วถอนบทเรียนจากเขาว่าเขาสำเร็จได้ยังไงเขาเก่งได้ยังไงคนอย่างนี้ภาษาัยรุนก็เรียกว่าอะไรดีไอเดใช่ไหมหาคนอย่างนั้นให้พบในชีวิตของเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจเอารูปเขาไปติดไว้ในห้องของเราติดไว้ในตู้หนังสือติดไว้ในตู้เสื้อผ้าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราซเซฟไว้นหนาจอแลวบอกเองว่านี่คือแรงบันดาลใจของเรา วันหนึ่งเราจะไปณจุดที่เขายืนอยู่และเมื่อเราถึ ง, งตรงนั้นเราจะไปให้ไกลกว่านั้นอีกมันลูกศิษย์พระอาจารย์ซึ่งเป็นนักกีฬากอของเมืองไทยตอนนี้ติดหนึ่งในห้าของเมืองไทยเขาเพิ่งไปบวชกับพระอาจารย์เขาจะมีรูปถ่ายเครือบวอยู่ในกระเป๋าสตางค์เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปอยู่ในที่ที่ถ่ายเครือบวชเคยอยู่และมา อ, อยู่ตรงนั้นแล้วผมจะไปไกลกว่านั้นและพระอาจารย์อย่าลืมนะครับรอบชิงช น, น, นั้นเลิศนัดหยุดโลกพระอาจารย์นี่มนนะครับไปร่วมกับผมด้วยเห็นไหม คนมีวิสัยทัศน์อย่างนี้เดี๋ยวก็สำเร็จนี่แหละฉะนั้นถ้าเราอยากเก่งเราต้องหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราคนที่ไม่มีใครเป็นแรงบันดาลใจนนะหลับตาก็มองไม่ออกว่าชีวิตมันจะไปไหนเราจะเหมือนใครดีว่าในอนาคตคนอย่างนี้นะจะคลาหาความสำเร็จไปจนบ้านปลายของชีวิตแล้วก็จะตายไปแบบงงๆนะพอตายไปปุ๊บหนังสืองานจพนีไม่รู้จะเอาอะไรมาพิม เอาสูตรขนมมาใส่เอาวันอะไรวันดีวันเสียมาใส่วันตัดเล็บหรือวันสระผมเคาเจอป่ะไม่รู้จะเขียนอะไรในประวัตินะเอาอะไรเลอะเทอะก็ไม่รู้มาใส่เป็นรวบรวมบทกวีบางตำราผีบอกบางยอดพักการใจพิดกบบงมาพิมพ์เส่ในประวัติตัวเองประวัติมีอยู่หน้าเดียวเพราะคุณไม่เคยสัมผัสความสําเร็จเนื่องจากตอนยังมีชีวิตอยู่คุณไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเลย ฉะนั้นหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจหรือไม่เช่นนั้นไปอยู่ในทีมที่มีแต่ยอดคนถ้ามันไม่มีในองค์กรมันไม่มีเลยมันมันเฉลี่ยกันมันพอๆกันหมดเลยเนี่ยไม่มีใครแบบพอประกายเฉื่อยเฉรดเลยดูหน้าตาป้านๆหมดเลยถ้าหาไม่ได้จากคนอื่นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราหาไม่ได้จากคนอื่นสร้างมันขึ้นมาในตัวเราเองถ้าคนเก่งในองค์กรไม่มีนะเรารออะไรอ่ะ เปนเหมืนซะเลยสิพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่ากัลยาณ์นางวัตโพสกิแปลว่าเพื่อนเอ๋ยเธอก็เอาดีได้ใยจึงมาดูถูกตัวเองเสียเล่าฝากไปนะสี่ก้าคิดต่างกล้าคิดต่างก็หมายความว่า ม, มีความคิดในเชิงสร้างสารรค์กล้าที่จะต่างออกไปคนที่จะกล้าคิดต่างได้ต้องมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งนั่นคือไม่กลัวคําด่าไม่เกรสายตาชาวบ้าน คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าคิดต่างหรอกนะไปทำผมมาอย่างดีแล้วนะเป็นตัดมาอย่างดียังต้องถามเพื่อนเลยว่าดีไหมทรงนี้ผมอยู่บนหัวเลยนะขอประชามาติทุกวันเลยอย่างนี้ไม่มีทางกล้าคิดต่างหรอกกลัวโดนด่านนิดหน่อยก็กระเทือนน้ำท่วมภาคใต้ปุ๊บเนอะเอาของไปแจกอัพรวบขึ้นเฟ e b o ๊ k เพื่อนเซลพวกนี้มันชอบทำบุญเอาหน้า ลบทิ้งเลยหายไปจากโลกออนไลน์ครึ่งปีพวกไม่ทนคาําด่าไม่ทนคําวิจารณ์ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนโลกได้ดังนั้นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกต้องกล้าคิดต่างและแน่นอนถ้าเราคิดต่างเราจะถูกดา่าสําหรับอัตมานะทําอะไรถูกดา่าถึงว่าเข้าใกล้ความสําเร็จถ้าคุณทําอะไรนะเงียบเงียบไม่มีใครพูดถึงไม่มีเสียงกระซิบกะระซาบเงียบเหมือนคุณไม่มีตัวตน คุณไม่ต้องไปยื่นใบลรออกเราคุณออกไปเลย <c oughs> คุณไม่มีค่าเลยฉะนั้นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกล้วนแล้วแต่เป็นคนที่คิดต่างนะลูกนะเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคิดคนบะมีได้เพราะมันไม่มีอาหารการกินอะไรกินแต่แป้งเขาไปเห็นแม่บ้านนะ ทำแป้งให้เป็นเส้นๆเขารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้เองถ้าเราทาให้มันสามารถทนต่อการบูดการเน่าได้มันจะกลายเป็นสุดยอดสินค้าเขาก็เลยเอามาต่อยอดกลายเป็นบะหมี่แล้วพอทำออกมาท่านั้นก็กลายเป็นสินค้าที่คนบริโภคกันมากมายญี่ปุ่นจึงเป็นที่มาของบะหมี่แต่ปีเดียวบริษัทเขาขัดทุนมากคนเรียนแบบทั้งประเทศเหมือนเมืองไทยใครทาอะไรสาเร็จปั๊บเรียนแบบ ลูกศิษย์พระอาจารย์คนหนึ่งทําลูกโปง่งงานปาร์ตี้นะโอ้โหดังมากใครๆก็ใช้บริษัทชั้นนําก็ใช้หมดเลยปีเดียวตอนนี้โดนเรียนแบบร้อยกว่าบริษัทฉะนั้นอุปนิสัยการเรียนแบบนั้นมันมีทุกหอทุกแห่งคุณคนที่คนพบบะเมียเครียดมากว่าทำไงเนี่ยบริษัทเราถูกเรียนแบบหมดแล้วผลิตภัณฑ์ถูกเรียนแบบบินไปหาที่ปรึกษาที่อเมริกาไปถามที่ปรึกษาที่อเมริกาว่าเออพี่ครับ ตอนนี้บะหมี่ของเราเนี่ถูกเรียนแบบหมดเลยพี่ออกชนิดไหนมาวันเดียวเรเรียนแบบหมดเลยมันจะยังไงอ่ะพี่ผมอยากให้มันต่างอะ่ะบะหมี่ซององผมตอนเนี้ใครๆก็ทําเป็นบะหมี่ซองหมดแล้วทำยังไงบะหมี่ซองมันถึงจะจะไปต่อได้ที่ปรึกษากําลังยุ่งอยู่หน้าก็ไม่เงยขึ้นมามองก็พูดขึ้นมาสั้นๆา่าทําไมไม่เอาใส่ถ้วยอะ่ะพูดเสร็จเขาเบื่อญี่ปุ่นเขาก็หันไปเข้าห้องน้ํากลับออกมาชาวญี่ปุ่นหายไปแล้ว เพราะประโยคที่พูดถึงพูดคว้างว่าก็ในเมื่อซองมีคนเรียนแบบทำไมไม่ใส่ถ้วยแกกลับบ้านวันนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นที่มาของบะหมี่ครับเกิดขึ้นในญี่ปุ่นและไปทั้งโลกเจ้าที่ปรึกษาชาวเมริกัรนะ์นยังไม่ทันได้ตังค์สักบาทคนญี่ปุ่นได้ไอเดียมาเปลี่ยนโลกเรียบร้อยแล้วแค่บอกว่าโชคดีมากตังค์ก็ไม่ต้องให้มันแต่เราทำสำเร็จ ก็ในเมื่อสองมีคนทำแล้วแก้วไหมแก้วเนี่ยขวดไหมถ้วยไหมชามไหมถ้ามันมีครบหมดแล้วต่อไปยังแนะนำได้นะข้าหลามไหม <c oughs> แกบอกไม้ไผ่ก็ยังได้อยู่นี่คือคิดต่างโลกเปลี่ยนเพราะเมื่อมีคนคิดต่างถ้าเราทั้งโลกคิดเหมือนกันทั้งหมดเราจะมาไม่ถึงวันนี้ ถ้าเราคิดเหมือนคนอื่นเราเห็นรถม้าแล้วเราก็บอกรถม้าดีที่สุดเฮ็นที่ฟอร์ดก็จะไม่สร้างรถยนต์ถ้าเราเห็นเครื่องร่อนแล้วบอกเราบอกเครื่องร่อนนะหรือบอลูนดีที่สุดโลกนี้ก็จะไม่มีอากาศยานหรือเครื่องบินอย่างที่เห็นทุกวันนี้ถ้าเราพอใจในรถไฟฉุกๆักฉุกฉักโลกนี้ก็จะไม่มีรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟพลังงานไฟฟ้าดูรถไฟที่วิ่งด้วยคลื่นความเร็วสูงอย่างไม่เหล็ก ซึ่งไม่ต้องมีวงล้อแล้วก็ได้ในะสมัยนี้เห็นั้ยเพราะโลกนี้มีคนคิดต่างอารยธรรมของมนุษย์จึงก้าวไปก้าวไปก้าวไปฉะนั้นเวลาที่มีคนคิดต่างในองค์กรอย่ากลัวคนประเภทนี้คนประเภทนี้ดูแลให้ดีๆบางครั้งเขาจะนาความเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรก็เป็นได้ถ้าไม่กลัวความล้มเหลวล้มเหลวเสียเถิดแล้วเราจะได้เข้มแข็ง ใครที่ไม่เคยล้มเหลวนะจะหลงเหตุว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งตัวเองแน่แล้ววันหนึ่งพอมันล้มปุ๊บคนอย่างนี้มีโอกาสสูงมากที่จะฆ่าตัวตายส่วนคนที่ล้มมาจนจินนั้นภูมิคุ้มกันวุฒิภาวะดีวันดีคืนหลักการรับคนก็ทํางานของ Microsoft ในยุค ข, ของ b เบลเกสก็คือว่าเขาจะเลือกคนที่เคยพลาดมาก่อนมีคนถามว่าทําไมคุณเลือกคนแบบนี้ทําไมไม่เอาคนใหม่ๆที่ไม่มีไฟฟ้าราคีเลยพวกเกียรตินิยมเบลเกสบอกไม่ได้ ทำไมพวกนี้ไม่มีประสบการณ์พูกที่เคยล้มมาแล้วเขารู้ว่าเขาพลาดตรงไหนเขาจะไม่ทําซ้ําเรื่องนี้ลองดูนะการหาแฟนไม่รู้ใช้สูตรนี้ได้หรือเปล่าพวกเคยมีครอบครัวมาแล้วทฤษฎีบางอย่างมันก็เฉพาะเรื่องนะลกนะอย่าใช้ทั้งหมดนะแยกแยะนะลกนะ โ, นะโปรดใช้อย่างมีวิจารณญาณคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวคือคนที่เป็น ผู้ถึงพร้อมไปด้วยมวลแห่งประสบการณ์และจะเป็นคนที่มีมุติภาวะเป็นคนที่สุกงอมเพราะอุดมไปด้วยความถูกความเผ็ดและประสบการณ์ในการเรียนรู้ยังถึงปริกถึงขิงและถึงกันคนอย่างนี้อยู่ตรงไหนองค์กรนั้นเหมือนกับมีผู้ใหญ่คอยเป็นหรือปรึกษาชั้นดีให้ถ้าเราเป็นวัยรุ่นเรามีโอกาสก็ควรฝึกลมไว้บ้าง หลายคนมักจะคิดว่าความล้มเหลวมันเป็นด้านตรงข้ามกับความสําเร็จนั่นคือความเข้าใจผิดแท้ที่จริงความสําเร็จและความล้มเหลวเขาเป็นพี่น้องกันและเขาเป็นฝาแฝดกันและเข้ามาด้วยกันแต่ม า, ฐฐฐาพูดเสมอว่าความสําเร็จและความล้มเหลวไม่ใช่ด้านตรงข้ามของกันและกันแต่คือด้านเดียวกันนั่นแหละแค่มองกันคนละมุมเหมือนหัวกับก้อยก็เป็นสองด้านของเรียอเดียวกัน ฉะนั้นความสําเร็จจึงเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวและความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จคนที่เคยสําเร็จยิ่งใหญ่เนี่ยไปดูประวัติเขาสิเขาล้มเหลวมาแทบทั้งนั้นเลยไม่มีใครทําเรื่องหนึ่งแล้วสําเร็จ ท, ทันทีฉะนั้นถ้าล้มเหลว อ, อย่าไปกลัวหกเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งกะคนที่มีดีอยู่ในตัวนะแต่เล่าไม่เป็นมาถึงที่ทํางานเพื่นายถามทําอะไรได้บ้างก็เท่าที่เห็นเนี่ยเพื่แล้วก็นั่งทำไอันนี้ทําได้ไหม ลองดูก็ได้พี่วันหนึ่งมันพูดสองประโยคไม่นำเสนอของดีของเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองถึงไรเจ้าของก็เหมือนตัวอยังถึงซ่อนตู้อดถึงขุดหลงฝังก็มีวันปลั่งอลัง่ังจูเคยได้ยินไหมเป็นกวีที่พระอาจารย์ชอบมากหมายความว่าของดีของเด็ดนั้นถ้าเราไปซ่อนไว้เนี่ย คนโบราณท่านถือว่าของดีของเด่นนะซ่อนตรงไหนเดี๋ยวมันก็มีคนมาเห็นเพชรในตมก็ต้องมีคนมาเห็นแต่ทุกวันนี้นะเพชรอยู่ในตมนะปรัชญานี้อาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในตมอยู่ดีๆมีคนเอาปูนไปเททับจบเลยฉะนั้นคุณต้องเหป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคนถึงจะรู้ว่าของดีมีอยู่และนั่นคือเหตุผลที่เวลาที่มีการคิดนวัตรกรรมระดับเปลี่ยนโลก สตีฟจ็อบะเล่าเรื่องเองสตีฟจ็อบจะเล่าเรื่องเอ ง, เเอ ง, เองแต่จริงๆคนที่เก่งมากๆในการประดิษฐ์ไม่ใช่สตี e จ็อบนะเพื่อนของเขา Steve w ร์สเนีเป็นมือประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ให้สตีฟจ็อบแต่พอให้เล่าเรื่องไม่มีใครสนใจเลยเพราะ w อร์สเนียพูดไม่เก่งสตีฟจ็อบนะถ้าเขาพูดนะั้นลกบินอยู่ยังต้องหยุดฟังเก่งขนาดไหนวันหนึ่งในงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาว สติปจ๊อบได้รับเชิญให้ไปกินเลี้ยงกับประธานาธิบดีอเมริกาและแขกของรัฐบาลอีกเจ็ดคนเป็นประธานาธิบดีทั้งนั้นสติปจ๊อบเด้เข้าเป็นนั่งกินข้าวด้วยลูกน้องยืนอยู่ข้างนอกมองผ่านกระจกใสเข้าไปโอ้ไนเราสุดยอดไนเราคือผู้บริหารบริษัทเดียวที่ได้กินข้าวกับประธานาธิบดีของอเมริกาและอีกเจ็ดประเทศสติปจ๊อบคุยอย่างออกรถลูกน้องก็รอฟังว่าผลการคุยคราวนี้มันจะเป็นยังไง พอกลับออกมาปุ๊บลูกน้องถามพี่เป็นไงอ่ะเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปจ๊อบบอกว่าไม่รู้สิเอ้าแล้วพี่คุยอะไรอ่ะไม่รู้พี่ขายคอมได้เจ็ดเครื่องเขาเป็นนักเล่าเรื่องและเขาชัดเจนมากว่าเขาทําอะไรอยู่ตรงไหนเขาจะเล่าเขาจะเล่าถึงเขาจะขายไอโฟนเขาจะไม่บอกว่าขายไอโฟนหรอกเขาจะบอกว่าพันเพลงจะอยู่ในกระเป๋าของคุณ ไอโฟนเนี่ยจะทําให้คุณเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกเขพูดไหมว่าโทรศัพท์ก็แทบไม่พูดนี่คือการเล่าเรื่องฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นนักเล่าเรื่องชั้นดีแล้วพระดวงนั้นเป็นสุดยอดของนักเล่าเรื่องทรงเล่านิทานชาดไว้มากกว่าห้าร้อเรื่องเวลาเทศเวลาสอนพระองค์ท่านจะเล่าเรื่องจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเต็มไปหมดเลยนักพูดที่ประสบความสําเร็จล้วนแล้วแต่เป็นนักเล่าเรื่อง นักการเมืองที่สำเร็จโดยมากเป็นนักพูดชั้นนำใช่ไหมโอบามาสำเร็จไหมลูกสองสมัยนะเขาบอกว่าในยุคของผมอะไรก็เป็นไปนได้ย e s มีแค n อยู่มาแปดปีไม่เฉนสำเร็จเห็นไหมคนเชื่อเขาโดนรัมปคนชอบไหมทั้งรักทั้งเกลียดเลยคนคนนี่แต่พูดทุกครั้งฟังเ็าไหมคุณต้องฟังเ็าพูด พูดอะไรก็ชั้งแต่คนค น, นี้ได้พูดไม่มีใครที่ไม่อยากฟังเพราะเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งชากาดมากน้ําไม่มีแต่โดนัททรัมมออกนโยบายว่าเราต้องสร้างสะพานตรงนี้วัวยังไม่ได้เลี้ยงแต่เขาบอกว่าเราจะขายนมวัวคนเมริการเชื่อนี่คือโดนัททรัมฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งเราท่านทั้งหลายอยู่ตรงนี้ให้บริการลูกค้าทุกเวัทุกวันเนาะ เวลาลูกค้าเดินเข้าร้านมาไปหยิบโน่นหยิบนี่อย่าไปทําหน้าเบื้องนะลูกบางครั้งพระอาจารย์ไปร้านหนังสือพระอาจารย์ถามลูกเล่มนี้เห็นหน้าปกบอกว่ามีสามเล่มมันเล่มสองเล่มสามมีที่ไหนเนี่ยลูกนี่มนดูเองเถค่ะพระอาจารย์เดินออกเลยอะไม่เล่าเรื่องเลยถ้าเป็นพระอาจารย์นะโอ้เล่มนี้นะพระอาจารย์ดีมากเลยเนี่ยพระอาจารย์ดูโปรยปกสิ เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ทําให้คนหนึ่งล้านคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองพระอาจารย์ได้อ่านหน่วยงารเทพของพระอาจารย์จะไปอีกระดับหนึ่งอาจารย์จะขอลายเซ็นคนขายคนนี้ด้วยการเล่าเรื่องมันสําคัญมากมันทําให้สิ่งธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นสิ่งล้าค่าอาจารย์ถวัลย์ชเนรวาดรูปแต่ละรูปตั้งราคา20ล้านมีรูปหนึ่งที่แกถวายพระอาจารย์ไว้ก่อนเสียชีวิตราคาถึง50ล้าน คำถามก็คือทำไมศิลปินจึงตั้งราคารูปวาดเอาตามแต่ใจเพราะว่าเวลาแกวาดแล้วแกจะพูดให้ทุกอย่างยิ่งใหญ่มากอย่างเช่นแกวาดอินรีครึ่งตัวตลอดชีวิตอาจารย์ห ว, วาดอินรีได้ครึ่งตัวไม่เคยวาดเต็มตัวมีคนไปถามว่าทำไมอาจารย์ถึงวาดได้แค่ครึ่งตัวแกบอกว่าอินรีตัวนี้มันบินเร็วมากจับมาวาดได้แค่นี้นดูสิพี่ีเล่าเรื่องของแก แกจะทําให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาทั้งหมดเลยเนี่ยคือนักเล่าเรื่องเราไปถอดรหัสก็ได้ใครที่ประสบความสําเร็จคนคนั้นจะเป็นนักเล่าเรื่องในหลวงของเราลกูกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันพ่อของเรา5ธันวาคมพ่อทำอะไรวันที่4ธันวาคมเราจะเฝ้ารอฟังพ่อสเสด็จออกมาหาสมาคมใช่ไหมแล้วพ่อจะเล่าว่าปีที่ผ่านมาพ่อทําอะไรเราอยากฟังไหม เราจะรอฟังว่าปีนี้พ่อจะเล่าอะไรอะไรอะไรแล้วหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกหนะแต่คนฟังจะหาเป็นระยะระยะระยะจําได้ไหมนั่นคือบรรยากาศที่ไม่มีอีกแล้วจากนี้ไปทําไมเรารักพ่อพ่อไม่ได้เป็นแค่นักทมแต่พ่อเป็นนักเล่าเรื่องชั้นนาด้วยเวลาดูพ่อเราต้องเห็นว่าพ่อทาอะไรแล้วพ่อสื่อสารมันยังไงอย่างช่างหัวมันช่างหัวมันเนี่ย ก็แค่รัฐสภนเอาเอาหัวมันไปทูนกล้าวใช่ไหมองค์ท่านบอกเอาวางไว้ตรงนั้นอัินี์ต่อมากลับไปปั๊บหัวมันงอกพ่อปิงไอเดียแล้วก็คิดโครงการช่างหัวมันดีไหมโครงการช่างหัวมันก็หมายความว่ามันเนี่ยไม่ต้องมีใครดูแลมันก็เจริญเติบโตได้ผงก็คิดว่าในที่ที่กันดาลที่สุดเราก็น่าจะพัฒนาได้แต่ความหมายหนึ่งของช่างหัวมันคือถ้าเราทาดีที่สุดแล้วใครไม่เห็น โลกไม่เห็นนายไม่ยกย่องเงินเดือนไม่ขึ้นเราก็บอกโอเคช่างหัวมันคำนี้ก็ใช้ไดนะ้คำนี้ก็ใช้ได้อยู่นะโดนด่าเยอะๆเราก็บอกเออฉันทำดีที่สุดแล้วแกก็ยังดา่าฉันอยู่เนี่ยจะให้ทำยังไงให้เกิดใหม่เลยไหมทำยังไงมันก็ด่าเรามันก็วิจารณ์เรามันก็อิจฉาเราเราก็บอกว่าเออกลับจากวันนี้ไปไปซื้อตาช่างมา มันสามหัวเอาตั้งถ่ายรูปอัพโหลดขึ้น Facebook แล้วก็บอกดา่ากูนักใช่ไหมมึงดูเอานี่คือการตอบโต้ช่างหัวมันนะฝึกเอานะว่ามันธรรมดาธรรมดาพ่อเอามาเล่าจนทุกวันนี้นะักท่องเที่ยวแหกันไปดูโครงการช่างหัวมืนอนโครงการกลายเป็นเรื่องเล็กการท่องเที่ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่ใครก็ใคร ก, ก็อยากไปดูใช่ไห หมันเพื่อเศรษฐกิจซึ่งไม่มีไม่มีใครมองแล้วเดี๋ยวนะกลายมาเป็นเพืเศรษฐกิจสําคัญเพราะพ่อเอามาเล่าใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ได้เสมอถ้าเราเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีพอเหมือนกับ GTH ทำหนังแม่น่าจําได้ไหมพ่อมาเล่าใหม่เองมากเป็นมาร์กใช่ไหมนางนาเก็บมะนาวไหมก็ยังเก็บอยู่แต่นางนาสวยไหมสวยนี่คือการเล่าใหม่เล่าเมื่อไหร่ก็สําเร็จเมื่อนั้น ฉะนั้นความสำเร็จ บ, บางครั้งมันไม่ได้เกิดจากการคิดใหม่ในวันนั้นแต่เกิดจากการเล่าใหม่จากของเดิมไปหาวิธีเล่าใหม่นะลูกนะกลับไปในปจา ก, การเล่าเล่าเรื่องราวของตัวเองใหม่ลง Facebook ใหม่หมดเลยฉันมนุษย์บ้านๆคนนี้แหละแต่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดูไม่ต้องเชื่อแต่จงติดตามด้วยพลังแคนี้คนมันก็รุ้นแล้วว่าเจนี่มันบ้าอะไรพกมันเนี่ย ทำตัวเองใหมันน่าสนใจนิดหนึ่งไม่ใช่ถ่ายรูปเมื่อไหร่ก็เห็นน่าสดพระโป่งลุกทีเจ็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและจังหวะเวลาที่เหมาะสมคนทาอะไรก็ตามบางครั้งเราทําแล้วมันไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จอย่าท้อนะลูกนะบางสิ่งบางอย่างมันมีเวลาของมันเราปลูกกุหลาบแล้วมันยังไม่บานก็อย่าไปด่าต้นกุหลาบว่ามันกลายพันุ์ ซื้อมาสามหวานจาเพชรจั่วบุญมาปลูกแล้วมันไม่หวานก็อย่าไปด่าว่าเขาเอาพันปลอมมาให้เราของบางสิ่งบางอย่างมันมีเวลามันมีไทมิ่งของมันอดทนและรอคอยให้เป็นเหมือนนักร้องคนหนึ่งตอนอยู่นครสวรรค์อยู่กลางทุ่งกลางนาเขาไปดำนาเธอก็ไม่ดำนาเธอจะไปเยืนหัวคันนาแล้วก็ร้องเพลง ญาติพี่น้องก็บอกแกไม่ต้องมาดำนาหรอกแกเอาดีทางนี้ไม่ได้แกไปร้องเพลงแกก็เลยเข้ากรุงเทพมาร้องเบงอยู่สิบปีไม่ดังคืนสุดท้ายร้องเพลงสุดท้ายร้องไปร้องไห้ไปคืนนั้นพี่จแจดานุกูลแก้วการไปเที่ยวผับนั้นพอดีไปได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนักร้องเสียงขนาดนี้พลังเขย่าขนาดนี้เนะ โอมตูมขนาดนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงพี่แจ้ไปคุยหลังใหม่แล้วก็เอามาร้องเพลงออกมาแปดอัลบั้มไม่ดังอัลบั้มที่เก้าเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ดัง ท, นทันดีนั่นคือเพลงเลิกแล้วค่ะ <c oughs> รู้จักไหม <c oughs> พี่ Hi ไฮไ อ, อวิทย์นครสวรรค์แล้วหลังจากนั้นพี่ไฮก็ดังดีไม่มีตกจนทุกวันนี้เห็นไหมทุกวันนี้นอกจากร้องเพลงก็ไปเล่นละครนอกจากเล่นละครก็ไปเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ กายเป็นคนดังที่ดังเดสี่ไม่ตกจนทุกวันนี้เพียงเพราะคืนนั้นคืนเดียวคืนสุดท้ายที่แมวมองไปเห็นเท่าฉะนั้นหลายท่านหลายคนที่ทำงานมาแล้วเนี่ยนายก็ไม่ดึงลูกน้องก็ไม่ด้านคนเสมอกันก็ไม่ช่วยพระอาจารย์อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะลูกอย่าเพิ่งทอ้อของลูกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเราทำดีที่สุดแล้วมันขาดเพียงเงื่อนไขเดียวมันอาจจะยังไม่สุงอมเงื่อนไขนั้นคือเวลา บางอย่างต้องใช้เวลาคนบางคนเราเที่ยวหลเทียวคือจีบแล้วจีบอีกสง่งน่นไปให้ส่งนี่ไปให้ด่าเรานะปฏิเสธเราเขาบอกว่าถ้าคุณส่งดอกไม้ยี่สิบวันแล้ววันที่ยี่สิบเ็ดคุณไม่ส่งเดี๋ยวคุณก็รู้นะถ้าเขาไวายแสดงว่าเขารับรักเราแล้วฉะนั้นทำอะไรให้เอาเกินยนะี่สิบ็ดวันนะทฤษฎียี่บเ็วัน เป็นทฤษฎีที่พิสูจลอุปนิสัยของมนุษย์จำมั่นคงเมื่อผ่านพ้นวันที่ย1ส็ดฉะนั้นทำอะไรก็อดทนและรอคอยให้เป็นพระอาจารย์ได้เขียนเอาไว้ว่าความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผลสำเร็จยังไม่มาเติมเงื่อนไขเวลาเข้าไปแล้ววันหนึ่งถ้ามันใช่ความสาเร็จก็จะมาเยือนเราอย่างแน่นอน เอาแล้ววันนี้พระอาจารย์ให้หลักในการทํางานประมาณนี้นะลูกนะที่เหลือก็เป็นพรปีใหม่เนาะเอา้าพรปีใหม่ในวันนี้ขอให้สั้นๆนะลูกนะหนึ่งอยู่ให้ห่างจากแหล่งพลังงานทางลบคนคิดลบพูดลบทำลบมองลบอย่าไปอยู่ใกล้มันจะทําให้เราอารมณ์เสียได้ทุกวันไม่มีแรงบันดาลใจในการทํางาน อยู่ให้ห่างจาแหล่งพลังงานทางลบสองคบคนที่มองโลกในเชิงบวกคนที่มองโลกในเชิงบวกทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นความท้าทายทุกอย่างจะกลายเป็นครูไม่มีอะไรให้ต้องกลัวสามพนวกตนก็ไปอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมอยากเก่งใช่ไหมหาคนที่ยอดเยี่ยมแล้วไปตีสนิทกับเขาไปฟอลโล Facebook เขา ไปคอมเมนต์งานของเขาเดี๋ยวเขาเห็นผิดสังเกตเขาก็จะเรียกเรามาคุยแต่พูดดีๆนะคอมเมนต์ <c oughs> ให้มันสร้างสรรค์นหน่อยนะพนวกตุลก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมสี่เปี่ยมด้วยจิตสำนึกสาธารณะเมื่อสำเร็จแล้วจะเห็นแก่ตัวดูพี่ตูลบอดี้สแลมเป็นตัวอย่าง สำเร็จแล้วไปวิ่งเพื่อระดมทุนสร้างโรงพยาบาลได้70ล้านเปลี่ยนความดังมาสร้างความดียิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันหรืออยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าเด่นข้อความเหล่านี้คืออุดมคติของคนที่จะเป็นที่รักประสบความสําเร็จในโลกของธุรกิจแล้วจงประสบความสําเร็จในโลกของการเป็นมนุษย์ด้วย นั่นคือโลกของงานก็เป็นนักทำงานที่สำเร็จโลกของการใช้ชีวิตก็เป็นเพื่อนร่วมสังคมที่น่ารักที่ตัวน์บอดี้สแล์ทำให้ดูแล้วว่าเป็นนักร้องที่อยู่ในใจคนเพราะเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองล้วนๆเท่านั้นฉนั้นพรเตียใหม่4ี่ประการนี้มอบให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาและลงมือทำย้ำอีกครั้งหนึ่ง1อยู่ให้ห่างจากแหล่งพลังงานทางลกสองคบคนที่มองโลกในเชิงบวก สามะันทกตนก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมสี่เปี่ยมด้วยจิตสำนึกสาธาพระนะใครนำเอาพอรสี่ประการนี้ไปทำขอให้คนนั้นคนพบสิ่งที่ดีต่อใจถ้ารำครบทั้งหมดก็จะสดชื่นถ้าดีจริงจะเก็บไว้คนเดียวจงแชร์วนไปค่ะเอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้ขอให้ผู้บริหารและพะนักงานพี่น้องชาวเซ็นทรลัลทุกคน มีความสำราญบานใจตลอดปีใหม่โดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเพือน เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหาย ก็พอ